พวกเราภาวนากันนะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะที่พวกเราตั้งออกตั้งใจภาวนานะก็มีพัฒนาการไปเรื่อยๆบางคนภาวนาดีๆไปฟังคนโน้นคนนี้เสียไปเลยก็มีกว่าจะตั้งหลักได้ก็ใช้เวลา มันช่วยที่ทำที่สุดนะเรื่องกรรมฐานเราปฏิบัติถูกอันที่หนึ่งปฏิบัติถูกที่สองถูกแล้วก็ปฏิบัติมากพอถ้าถูกก็มากพอถึงจุดหนึ่งมันสะสมบุญบารมีสะสมขึ้นมาเต็มก็จิตมันก็จะปฏิวัติตัวเอง เปลี่ยนแปลงไปถ้าคนไหนขี้เกียจก็ไม่ได้ก็ยุติธรรมแล้วพวกทำผิดนีย่ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆอย่าบางคนเป็นมิจฉาทิฏฐิชาตินี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็สะสมความรู้ผิดความเข้าใจผิดไว้ชาตินาคก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีก ไปได้ยินธรรมะที่ถูกต้องมันทนไม่ได้มันจะมีมิจฉาทิฏฐินะบางคนจะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเอาตัวไม่รอดตัวศาสนาพุทธแท้ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองมันเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา นี่จิต ท, ที่ไม่ได้รับการฝึอกอบรมที่ถูกต้องที่มากพอมันมีมิจฉาทิฐิครอบงำอยู่เวลาเราคิดถึงธรรมะก็คิดแบบมิจฉาทิฐิอย่างเราได้ยินเรื่องนิพพานก็คิดว่านิพพานเนี่ยมันต้องสนองกิเลสเราได้้วต้องเป็นที่ที่ดีมากมาก มีความสุขมากๆยอดเยี่ยมมิเศษอย่างงั้นอย่างนี้สวยงามมากๆอะไนี้มันคิดแบบสนองสิ่งที่เราต้องการนั่นแหละเห็นพอคิดถึงนิพพา น, นไปสร้างนิพพานอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าหลกงปมั่นท่านถึงบอกว่าธรร ม, มะนะ่ ถ้าเข้ามาอยู่ในจิตปุถุชนจะกลายเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะปลอมเพราะเรานะ่มันมีความเห็นผิดแฝงอยู่เวลาจะคิดถึงอะไรที่ถึงธรรมะนะก็คิดเข้าข้างกิเลสไปเรื่อยๆอย่างพวกเรารักอัตตาตัวตนที่สุดเลยหวงแหนอัตตาตัวตน พอได้ยินว่าเข้าถึงพรนะนิพพานไม่มีอัตตาตัวตนมันก็ไปสร้างภาพขึ้นมาใหม่เป็นอัตตาตัวตนที่ประณีตยิ่งขึ้นไม่มีอัตตาตัวตนหยับหยาบอย่างพวกเรามีขันห้าเงี้ยมันไม่ถูกใจขันห้ามันแก่มันเจ็บมันตายได้ไปสร้างตัวตนที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมา ทำไมต้องสร้างอย่างนั้นก็รักตัวเองอยากให้ตัวเองเป็นอมตะที่จริงพนิพพานนั้นท่านบอกเลยคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานนั้นไม่มีธาตุดินน้ำไฟลมอากาศสธาตวิญญาณไม่มีไม่มี อากาศานันจายตน ะ, นะไม่มีวิญญาณนันจายตนะไม่มีอากินจัญญาตนะไม่มีเนวสัญญาณาสัญญายัตนะอันสี่อย่างนี้เป็นอรูปภพงั้นไม่ใช่ทั้งรูปไม่ใช่ทั้งอรูปพ้นจากรูปพ้นจากอารูปไปเป็นรูปก็มีธาตุดินน้ำไฟลมมีอากาศ อากาศนี่ไม่ใช่อากาศไม่ใช่แอร์อากาศตัวนี้คือสเปซเป็นที่ตั้งของดินน้ำไฟลมมีวิญญาณเกิดดับอยู่ทางอายัตะนะทั้งหกก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีตัวรูปไม่มีตัวนามเป็นพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไป แต่สิ่งเหล่านี้และคือสิ่งที่เรารักแล้วห่วงแหน่ง้นเราวางไม่ได้นะเราก็พยายามไปสร้างภาพขึ้นมาว่านิพานแล้วเป็นโลกโลกหนึ่งมีพระนั่งสมาธิเป็นแถวเลยบางสำนักก็นั่งขัดสมาธิบางสำนักก็นั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอุบายของครูบาอาจารย์สำนักนั้นก็ได้ หลอกพวกกิเลสหนาหลอกพวก น, นิพพานยังมีตัวมีตนอยู่แล้วก็พาภาวนาไปวันหนึ่งอาจจะฉลาดขึ้นมาหลุดไปได้หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าคนที่สอนอย่างนี้เลวร้ายอะไรอาจจะเป็นอุบายก็ได้แต่พวกเราเรียนเรียนให้ได้หลักไม่ใช่เด็กแล้วต้องคอยหลอกกัน เวลานึกถึงนิพพานเรานึกไม่ออกเพราะเรารู้จักแต่ของที่มีกับของที่ไม่มีอย่างชีวิตเราเนี้ยถ้าไม่ตายแล้วเกิดก็ตายแล้วศูนย์ถ้าตายแล้วเกิดก็เป็นมิจฉาทิฐิถ้าตายแล้วศูนย์ก็เป็นมิจฉาทิฐิอเอ๊ะแล้วทาไมมีชาดก พระโพธิัตว์ตายแล้วเกิดเยอะแยะไปหมดเลยทำไมว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ไหมไม่รู้ก็ไปภาวนาให้เฉลยซสื้อทุเรื่องก็ไม่เก่งหรอกความรักตัวเองนะแล้วก็ มันจะรู้สึกแต่รู้จักแต่สิ่งที่สุดตรงถ้าไม่มีก็ศูนย์ถ้าไม่มีก็ศูนย์แต่ว่ากลัวจะศูนย์มากกว่ากลัวไม่มีอยากมีอยากมีอยากเป็นเง้นเวลาจะตายครูบาอาจารย์มางอ ง, งท่านก็หลอกเอาว่าเนี่ยภาวนาไปเดี๋ยวนิพานเราก็ยังเหลืออยู่ไม่ไม่ได้หายไปไหนหรอก อีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกปัญญามากสอนเลยนิพพานแล้วศูนย์ไปเลยนั่นก็มีชาติทิฏฐิมีอะไรบางอย่างที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับอย่างตายแล้วเกิดที่จริงไม่ใช่ตายแล้วเกิดหรอกถ้าถูกจริงๆก็คือ มีเหตุก็เกิดไม่มีเหตุก็ไม่เกิดตรงนี้ถึงจะถูกนั่นไม่ใช่ตายแล้วต้องเกิดหรือตายแล้วศูนถ้ายังมีเหตุมันก็ไม่ศูนหรอกสิ่งท่ไหลเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามจินตนา ก, การมันเป็นแฟกซ์ไม่ใช่จินตนา ก, การ ค่อยๆภาวนานะความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นแค่แรกสุดเราจะรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายมีหรือไม่มีมีแต่มีเพราะเหตุไ ม, ไม่ใช่ทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะ มีอย่างถามวรก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะ่นจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิมเป็นเรื่องเหตุกับผลนะเรืองศาสนาพุทธเต็มไปด้วยเหตุกับผลถ้ามีเหตุก็มีผลไม่มีเหตุก็ไม่มีผลเหตุกับผลมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นโล ก, กิยา ะ, ะส่วนที่เป็นโลภุตระ ส่วนที่เป็นโลคิยะก็คือถ้าเรามีตัณหาเป็นเหตุเราก็จะมีทุกข์เป็นผลสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันห้าถ้ายังมีความอยากอยู่จะได้ขันห้ามาเพื่อไม่ต้องกลัวตายหลวงปู่เทสท่านเคยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะไม่มีเวลาปฏิบัตินะตราบใดที่ยังมีกิเลสอีกก็ยังมีอีกเกิดอีกมีเหตุคือตัวอยากตัวตัณหา จะมีผลคือตัวขันห้าตัวทุกข์นี้เป็นฝ่ายโลคียาฝ่ายโลกุตระก็มีเหตุคือโลกุตระเหตุได้แก่อริยมรรทําให้เกิดโลคุตระผลคืออริยผลอริยมรยม ร, มกรมกเกิดแล้วดับไหมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ ว่าโลกุตละในสวยของมรรคผลยังเกิดดับได้ถ้าเกิดแล้วไม่ดับนะพอมันรู้โสดาปฏิมรกก็เป็นโสดาปฏิมรกตลอดการไปเลยเพรอโสดาปฏิมรกไม่ยอมดับก็ไม่เกิดโสดาปฏิผลเะนั้นมันฝ่ายเหตุกับผลนะี่มีสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นโลกียะมีตัณหาเป็นเหตุ มีทุกข์คือตัวขันห้าเป็นผลฝ่ายโลกุตตระก็คือมีอริยามากเป็นเหตุมีอริยผลเป็นผลฟังแล้วอาจจะงงเพราะว่าเราไม่รู้จักแต่โลกุตตระยังมีอีกชนิดหนึ่งที่เหนือจากเหตุจากผลขึ้นไปนอกเหตุเหนือผลคือพระนิพพานนิพพานไม่มีเหตุนั่นนิพพานไม่เกิด นิพพานไม่เกิดนิพพานไม่ดับเป็นอามาตะธาตุอามาตะธรรมอยู่อย่างนั้นเองเพร่ะในส่วนของโลกุตตระยังมีสองแบบแบบที่ยังเกิดดับกับแบบที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับถ้านนิพพานเกิดนิพพานก็ดับนิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานไม่มีรูปไม่มีนามมันเหนือความคิด ของเราที่จะเข้าไปถึงหรวงปู่ดูนท่านเทียบเรื่องเต่ากับปลาเคยอ่านไหยเรื่องเต่ากับปลาใครเคยอ่านบ้างเต่านะขึ้นบกได้อยู่ในน้ำได้เต่าขึ้นมาเที่ยวบนบกแล้วกลับไปเล่าให้ปลาฟังว่าบนบกหน้าดูมากเลยสวยงามปลาก็รีบถามเต่าเ่ยบนบกมีสาหรายเยอะเหลือถึงสวย หรือมีปรกกาลังเยอะบนบกคลื่นแรงไหมเต่าก็ได้แต่สายหัวด็อกแดกดกเดกสิ่งที่ปลาคิดมันคือสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของประสบการณ์สิ่งที่เกินประสบการณ์ถึงคนซึ่งมีประสบการณ์เข้าไปรู้ไปเห็นเขากลับมาเล่าเราก็จินตนาการตามไม่ถูก เหมือนครูบาอาจารย์ท่านไปเจอพระนิพพานนพระพุทธเจ้าพูดถึงพระนิพพานไปพบพระนิพพานแล้วมาเล่านิพพานไม่มีดินน้ำฝฟายลมไม่มีช่องว่างไม่มีอิน ญ, ญาณไม่มีอะไร อ, อรูปไม่มีโน้นไม่มีนี่ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ มีแต่คำว่าไม่มีมันก็เหมือนอันนี้เป็นคําำตอบสำหรับพวกเราพวกปลาทั้งหลายมีคลื่นไหมไม่มีมีสาหร่ายไหมไม่มีมีปกากรังไหมมีอย่างโน้อนอย่างนี้ไหมไม่มีเหมือนเวลาที่พระพุทธเจ้าท่าพูดถึงนิพพานนะคำพูดส่วนใหญ่จะเป็นเชิงปฏิเสธไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ เพราะท่านพูดกับปลาเราต้องฝึกตัวเองนะให้มีพัฒนาการจนกลายเป็นปลาตีนจะได้ขึ้นบอกได้เปลี่ยนคลีปเป็นตีนขึ้นแล้นดูข้างบนโ่้มเป็นอย่างนี้เองเราก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเราไปนะถงนึงจุดหนึ่งจิตมันเห็นพระนิพพาน เราเห็นว่านิาพพานครั้งแรกตอนได้โสดาบัตแต่มราเห็นสร้ง น, นิดเดียว เ, เห็นเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวอธิบายไม่ถูกส่วนใหญ่พูดไม่ถูกเลยมองไม่เห็นลีลาของจิตที่จะเกิดอริยมรรคตอนเกิดอริยมรรคเกิดอริยผลก็บรรยายไม่ถูกครูบาอาจารย์ท่านบอกเหมือนคนใบ้กินบอระเพ็ด รู้จักบรเพศไหมรู้จักคนใบ้ไหมคนใบ้กินบรเพศแล้วมีคนถามฮะรสชาติเป็นไงอมันพูดไม่ออกเลยพูดไม่ได้นันเนเเ่เป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวะเป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวพยายามฝึกนะไม่เคยมีศีลก็รักษาศีลไว้ไม่เคย ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เคยเจริญปัญญาก็าฝึกเจริญปัญญาไปวิธีเจริญปัญญาขั้นต้นแยกขันให้ได้ก่อนแยกรูปนามอย่างน้อยต้องมีสองตัวแต่ตัวหนึ่งต้องเป็นจิตตัวหนึ่งเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์รูปก็ได้อารมณ์นามก็ได้ แต่ตัวหนึ่งต้องเป็นจิตตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่โหลวปู่มั่นควรพบมาท่านเอาตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนพอได้จิตผู้รู้มานั้นดูลงไปในกายกายมันจะไม่เป็นเราดูลงไปที่จิตที่เกิดดับทางอรยตนะทั้งหกก็จะไม่เป็นเรามันต้องได้ตัวผู้รู้ขึ้นมาก่อนเพราอนการแยกขันธ์ ในทางทฤษฎีทางปริยัติที่เรียนกันนะแค่แยกรูปแยกนามแต่ในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเราแยกลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งในนั้นนะในสองตัวนะั้หนึ่งในนั้นต้องเป็นจิตจะว่าไปมันก็คือการแยกจิตกับอารมณ์รูปอารมณ์นามนะทำไมต้องใช้คาว่าอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์แปลว่า ส, สิ่งที่ถูกจิตรู้มันมีสี่อย่าง นึ่งอารมณ์ัญญาติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้อย่ามาทําวิปัสนาไม่มีอ่ะอย่ามานั่งคิดนะท้องพองท้องยุบยุบหนอ่อพองหนอนี่ความคิดยกเทา้าย่างเท้านี่ความคิดไม่ใช่วิปัสนาหรอกพุทธโธไม่ใช่วิปัสนานามาภิธาไม่ใช่วิปัสนาไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเป็นความคิดการพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลัสุภาเป็นความคิด ไม่ใช่วิปั ส, สนาหรอกแต่ถ้าฝึกนะไอ้ตัวอารมณ์ัญญัติเนี่ยอามตาะวิปั ส, สนาไม่ได้ก็อามรมณ์รู ป, ปรูปธรรมนามธรรมาอันนี้เป็นของมีจริงรูปธรรมมีจริงนะแต่มีเพราะมีเหตุไม่ใช่ไม่มีมีเพราะมีเหตุนามธรรมก็มีแต่มีเพราะมีเหตุ ถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเป็นเหมือนที่พระอสชชิสอนอุปติสะที่ภายหลังเป็นพระสัททิบุตรนะอุปติสะถามพระอาสชชิว่าศาสดาของท่านสอนอะไรอุปติสะไม่ธรรมดานะมองออกว่าพระอสชชิไม่ใช่คนธรรมดาผองใสามากแต่ว่าแต่พระอสชชิมองเลยพวกเรามองดูออกไหม เราภาวนาไปช่วงนะั้นเราเห็นหน้าวันนี้เราก็รู้ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบางคนหน้าตาไม่สวยโดยธรรมชาตินะแต่ภาวนาแนละ้วมันสดใสสว่างแจ่มใสงดงามเนี่ยอุปติสสะเห็นพระสัจชีรู้ต้องดีแน่เลยถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจคําสอนของใครคือ ใ, ใครเป็นครูของท่านแล้วครูของท่านมีปกติสอนว่าอย่างไร แสดงว่าอยากรู้หลักสูตรเลยมีปกติสอนอะไรไม่มีแบบสอนพิเศษบ้างอะไรสอนปกติสอนอยางไงพระเสชีจบอกเราเพิ่มบทใหม่รู้น้อยอุปติสาบอกว่าท่านบอกมาเถอะท่านมีหน้าที่บอกผมมีหน้าที่ทำความเข้าใจนี่เทมากเลยหลวงพ่อมีหน้าที่บอก พวกเรามีหน้านที่ทําความเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วอุปตรสะเข้าใจอาสชีบอกว่าทําใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้เห็นไหมเนี่อคือใจความที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นปกติเลยยืนพื้นเลยคือเหตุกับผล อุปติสสาษฟังทุ๊บบรรลภพรโสดาษษษษษษเลยรูปมีไหมมีถ้ามีเหตุถ้าเหตุดับรูปนี้ก็ดับนามมีไหมนามก็มีเหตุก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ดับเนี่ยสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเพราะงั้นมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถา ว, ว, ว, วบอนไหมกายนี้เป็นตัวตนถา ว, ว, วบอลไหมไม่เป็น เพราะมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่มีตัวตนถาวอนที่เป็นอมตะจิตนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเหมือนกันเพั้นไม่มีตัวตนที่เป็นอมตะเพ้นะฉะนั้นตัวตนที่แท้จริงไม่มีเนี่ยท่านฟังแค่เรื่องเหตุกับผลท่านปริงไม่ถึงขนาดว่าตัวตนไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวตนพวกเราฟังมานานแล้วใช่ไหมเรื่องคาถาพระอัสเชีย เราโยงมาไม่ถึงมันล้างตัวตนยังไงพูดเรื่องเหตุทำใดเกิดจากเหตุพระธรรคดเจ้าแสดงเหตุแห่งทำนั้นและแสดงความดับไปแห่งทำนั้นพระธรรคตเจ้ามีปกติสอนอย่างเนี้ยเรื่องเหตุกับผลเหตุกับผลนั้นสิ่งที่ว่ามีนะั้นมีโดยเหตุไม่ได้มีถาม อ, อนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตา ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอัตตาหมายถึงตัวตนทานบอลไม่มีแต่เวลาเราภาวนานบางทีเรารู้สึกไหมอุย้ยมีตัวกูขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวก็มีดูทีไรก็มีไอ้ตัวกูตัวกูไม่ได้เกิดทุกครั้งของนะไม่ได้เกิดตลอดเวลานะเวลาเราเกิดสติขึ้นมาตัวกูก็ไม่มีแล้วเงี้เวลาภาวนานบางทีรู้ตัวกูหายไปอะได้โสดาแล้วมั้งไม่แน่นะ กตัวกูไม่ได้มีตลอดเวลาต้องดูกันนานๆหน่อยวันหลังแผลมออกมาก็ามีตัวกูขึ้นมาอีกลแล้วอย่าเชื่อมันเรายุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นๆที่เราจะไปถามได้ว่าใครได้โสดาเราต้องวัดด้วยธรรมะด้วยคำสอนของพระพเจ้า วัดใจตัวเองมันได้หรือไม่ได้ดูอย่างนั้นแหละดูจากของจริงหลวงพ่อกิมนะเคยสอนหลวงพ่อมาหลวงพ่อถามหลวงพ่อกิมว่าไม่ถ้าไม่มีหลปูดด่ดูลไม่มีอะไรแนละ้วถ้าใครได้โสดาอะไรย่างเงี้ยจะไม่ใช้คาว่าโสดานะสายหลวงปู่ดนลถ้าเรียกว่าจิตยิ้มถ้าใครจิตจิ้มแล้วจะรู้เหรอ ว่าไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ให้จะรู้ด้วยตัวเองได้ไงหลวงพ่อกิมนั่นบอกว่าให้ดูตัวเองสักสามเดือนมันมีตัวตนผุดขึ้นมาไหมในสามเดือนถ้าจงใจมีสติดูอยู่เรื่อยๆไม่เกิดหรอกแต่จิตที่ทรงตัวอยู่ดูอยู่ได้เรื่อยๆเป็นจิตทรงฌานออกจากฌานมามันทรงตัวอยู่ได้ไม่เกินเจ็วันหรอกนี่ท่านให้ทั้งสามเดือน งั้นอย่างพวกที่นั่งเพ่งอยู่นะแล้วบอกไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเี้ยพอสมาธิเสื่อมตอนสมาธิเสื่อมไม่ยอมดูแล้วกลัวจะเจอถ้าไม่กลัวดูมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาให้แก่รอบเสร็จแล้วโสดาปัติมรรคก็จะเกิด ทันทีที่โสดาปริมาคเกิดแล้วก็ดับลงดับในทันทีนั้นเลยโสดาปฏิผลก็จะเกิดต่อทันทีนะไม่มีช่องว่างไม่มีการเว้นเวลาเลยเกิดปุ๊บดับปั๊บลงไปไอายะผลก็จะเกิดขึ้นทันทีสองสามขณะในตำราก็ไม่บอกว่ามันเป็นยังไงในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยครูอาจารย์พูดอยเหมือนกันอยากรู้ปะ อย่ารู้ดีกว่ารู้เดี๋ยวมโนเอาไปมโนแล้วก็บิ้วขึ้นมาไนปะดูของจริงเอาไว้เป็นบททดสอบนะตราบใดที่เรายังเจริญสติปัฏฐานกันอยู่นะโอกาสที่จะเกิดผู้ที่ได้มรรคผลนี่ก็มีอยู่ ถ้าเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่มีโอกาสหรอกการเจริญสติปัฏฐานคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไปนะรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาเพราะว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามได้ก่อนแยกรูปแยกนามไดนะ้ตัวหนึ่งที่แยกออกมาคือตัวรู้พอมีตัวรู้เนี่ยสติระลึกรู้รูป จิตเป็นตัวรู้คือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะเกิด น, นสติจะเกิดได้บ่อยถ้าเราเห็นสภาวะบ่อยๆปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสัมมาสมาธิต้องมีสมาธิที่ถูกงั้น่นาภีธรรมสอนไว้ดีนะตรงนี้ว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่เขาเรียนอย่างนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าสัมมาสมาธิเป็นยังไง ส ม, สมาธิมีทั้งสองอย่างอันหนึ่งเป็นลักขณูอันหนึ่งเป็นอารามณูตัวทีใ่ใช้เดินปัญญาเป็นตัวลักขณูตัวที่ใช้พักจิตเป็นตัวอารามณูพวกที่มาเรียนใหม่ๆอาจจะงงนะไปฟัง Youtube ที่หลวงพ่อเทศมีเยอะแยะเลย หลวงพ่อสอนเรื่องสมาธิไว้เยอะมากนะหลวงพ่อกล้าพูดเลยว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อสอนสมาธิเยอะเยอะส่วนใหญ่ท่านสอนแค่ว่าไปพุทธโธเอาเองไปหายใจออกหายใจเข้าเอาเองท่านสอนแค่นี้หลวงพ่อไปทําอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนนะแล้วก็อธิบายให้พวกเราฟังเพื่อว่าเราจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเราทํา สมาธิชนิดจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอเงี้ยเดินี้ปพานาไม่ได้มากผลไม่เกิดหรอกนะถ้าเราสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นสติระลึกรู้ในรูปนามปัญญาก็จะแทงตลอดลงไปเห็นไตรละของรูปนามสะสมไปศีลนะก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะสนใจธรรมะสนใจเรื่องอื่น หมดเวลาซะแล้วสมควรไปกินข้าวนะยากไปไหมที่เทศวันนี้วันนี้ต้องมีพวกภาวนาใช้ได้เป็นจำนวนมากธรรมะก็จะโหดๆหน่อยนะถ้าวันไหนพวกรวยทั่ยเยอะๆธรรมะก็จะธรรมดาหน่อยหลวงพ่อเทศตามใจคนฟัง แต่ไม่ได้ตามกิเลสคนฟังนะคำว่าเทศตามใจคนฟังหมายถึงใจควรจะฟังธรรมะขนาดไหนก็เทศขนาดนั้นนี่ว่าเทศตามใจคนฟังคำว่าตามใจตัวนี้ไม่ใช่ตามกิเลสถ้าตามกิเลสหลวงพ่อก็จะต้องหลอกหลวงต่างๆนานามาทอดจต่์กันเยอะๆนะทําบุญมากๆจะได้สวรรค์ชั้นสูงขายบ้านมาทาบุญเลยดีที่สุด นี่พวกหลอกลวงเราไม่มีตังค์นะเราไม่มีตังค์เราไม่ต้องทำบุญเพื่สตังค์เห็นขยะตกอยู่เก็บขยามก็ได้บุญแล้วทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองกับผู้อื่นมันก็บุญทั้งนั้นแหละเป็นคุณกับตนเองก็ต้องบอกนะไม่ใช่ตนวทำให้ตนเองร่ารวยนะหมายถึงทำจิตใจให้สูงขึ้นมันอย่างหลวงพ่อเทศตามใจคนฟัง หมายถึงเทศเพื่อให้ใจของคนฟังมันเจริญขึ้นตามชั้นตามภูมิไม่เคยมีศีลไม่เคยทำทานสอนให้ทำทานไม่มีศีลสอนให้มีศีลไม่เคยมีสมาธิสอนให้มีสมาธิเดินปัญญาไม่เป็นสอนให้เดินปัญญาเราสอนเป็นลำดับลาดับไปอยู่วันนี้สอนยากนิดนึงพวกที่เข้าคอร์สก็ใช้ได้นะแล้วพวกที่หลวงพ่อประทับใจมากๆเลย เพออุบนเมื่อวานผู้อุบนเมื่อวานก็ เ, น เ, เรียนจากโลวพ่อขันตีได้ข่าวใช้ได้น่ะใช้ได้เลยละ่ะเอาไปกินข้าว